มงกุฎไพรเล่มสามตอนที่198แสงสว่างของดวงจันทร์ครึ่งดวงที่ปราศจากเมฆบังช่วยส่องให้เห็นหนทางและภูมิประเทศรอบด้านได้อย่าง ก, กระจ่างชัดทั้งคู่เดินผ่านเข้ามาใต้ร่มเงาของทองกวาวที่กำลังโปรยดอกสีแดงร่วงหล่นลงมาอยู่เป็นระยะลมดึกโชยพิ้วมาผับเผากระทบใบพรึกพิ้ววรับแสงเดิน เกิดเป็นประกายเรื่อมราวกับแสงเงินยวงสรรพสิ่งแวดล้อมรอบตัวในขณะนี้ราวกับว่าทั้งสองกำลังเดินเคียงครอกันอยู่ในแมนสวงกลิ่นหอมลึกลับของบุพชาติบางชนิดยิ่งแผ่ซ่านมากระทบคาณประสาททำให้ดื่มดำ่ำแช่มชื่นขจัดความอิดโรยอ่อนเปรี้ยและความง่วงเหงาหานอนไปหมดสิน้นสองหัวใจมีแต่ความสุข สมมนัทและอิ่มเอมอย่างที่ไม่เคยได้มีโอกาสสัมผัสมาก่อนตลอดทั้งชีวิตทั้งสองมาหยุดยืนมองตากันอยู่ภายใต้ร่มทองกวาวอีกครั้งขณะนั้นดอกหนึ่งก็ได้ร่วงหล่นลงมาวางอยู่บนไหลของระพินเขาหยิบขึ้นมาชูให้หลอนดูทราบไหมครับว่านี่คือดอกอะไรหลอนสันสีสานน้อยๆยิ้มรื่นอยู่เช่นนั้นไม่รู้เอ้ยไม่ทราบค่ะ ถ้าอยู่บนแผ่นดินของโลกมนุษย์เขาเรียกว่าดอกทองกวาวแต่ถ้าอยู่ในสุขาวดีแดนสวงก็จะเรียกว่าดอกปาริชาตดารินเลิกคิวนิดหนึ่งงั้นเหรอก็แปลกดีนี่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคนที่มีชีวิตอยู่แต่ในป่าอย่างนายพรานของฉันจะรู้เรื่องราวในวรรณคดีได้ดีถึงขนาดนี้และสาลาที่เราได้พบกันเมื่อหยกหยกนี้มีนามว่า ศาลาปาริชาติอุทยานสวนขวัญแห่งราชฐานมรกรนครแห่งนี้ก็มีนามเรียกขานว่าอุทยานสุขาวดีเพราะฉะนั้นดอกทองกวาวดอกนี้ก็ควรจะต้องเป็นดอกปาริชาติอา้าวท่านหูไว้คุณหญิงจะได้ระลึกถึงชาติแต่ป่าก่อนของเราได้กระจ่างเด่นชัดยิ่งขึ้น ก่าวพลางเขาก็าบรรจงทัดดอกไม้นั้นลงที่มุมผมเหนือซอกหูของหล่อนอย่างทนุถนอมยิ้งสาวหัวร้อนน้อยๆเอามือแตะที่ดอกไม้นั้นถึงไม่ได้กลิ่นดอกปาริชาติและไม่ได้มาอยู่ที่อุทยานสุขาวดีแห่งนี้ฉันก็ระลึกชาติได้มาก่อนหน้านี้เสียอีกแล้วความจริงดอกไม้ชนิดนี้งามก็จริงแต่มันไม่ได้มีกลิ่นอย่างที่เขาว่ากันสักหน่อย กลิ่นหอมของดอกไม้ที่เราอบอวนชื่นใจอยู่ในขณะนี้เป็นกลิ่นดอกไม้ชนิดอื่นต่างหากฉันไม่ต้องการเป็นวาสิทธิถีและคุณก็ต้องไม่ใช่กามนิศเพราะคนคู่นั้นไม่เคยได้สมหวังในความรักเลยไม่ว่ากี่ชาติกี่พบจนกระทั่งในที่สุดต่างคนต่างไปเกิดเป็นดวงดาวห่างไกลกันหลายพันปีแสงได้แต่ส่งกระแสสนทนาโต้อตอบคุยกันในแต่ละประโยค กินเวลานานเป็นโกรธเป็นแสนปีสนุกที่ไหนล่ะเรามีสถานภาพอันเป็นตัวของเราเองกันอยู่แล้วฉันคือฉันและคุณก็คือคุณเดินต่อสิค้าทูลหัวอย่ามาลูกไม้แกล้งถ่วงเวลาอยู่แถวแถวนี้เลยประเดี๋ยวก็สว่างเสียเท่านั้นอา้าวเดินก็เดินคุณหญิงนำไปสิผมเดินเองไม่ถูกหรอกรู้สึกว่าถนนหนทางในอุทยานแห่งนี้มันแยกแยะไปหลายเส้นทางเหลือเกิน มานี่ตามมาเสียโดยดีห้ามหยุดที่ไหนอีกหล่อนคว้าข้อมือเขาแล้วนำออกเดินตามถนนรยกรวดที่ผ่านมาก่อนทันทีแต่เป็นการเดินสนทนากันไปตามปกติไม่ถึงกับรีบรอนอะไรนะักคุณหญิงบอกว่าส่างปาทาหน้าที่เป็นเจ้าภาพรับรองพวกของคุณหญิงอยู่ที่ภาคปราศาสหลังหรือครับใช่ดารินหัวเราะ อ, อีกอย่างขันขันเจ้าสางปาขี้ลิงของเมนั่นแหละ ตอนนี้ดูเขาใหญ่โตอักขรฐานมากทีเดียวเงซายเลี้ยงดูปูนบาเหน็จสัก์ให้แก่เขาไม่ผิดคำพูดที่ให้การรับรองกับพวกเราไว้เลยนะขณะนี้ก็ถูกลุงอินชนให้นอนพักร่วมกับพวกเราทุกคนสางปาจะเป็นอีกคนหนึ่งที่จะต้องดีใจมากเมื่อมองเห็นคุณเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสำหรับพวกเราทุกคนเพียงแต่ว่ามีราศีขึ้นและฉลาดขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ก็แปลว่าเมตัดสินใจได้ถูกแล้วที่ยอมปล่อยสางปลาให้แงสายเลี้ยงดูอยู่ที่นี่พูดถึงเมคุณหญิงยังไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรแก่ผมเลยเธอคลอดแล้วหรือครับเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายเด็กผู้ชายจำม่าน่ารักมากทีเดียวฉันเป็นคนทำคลอดให้ด้วยมือเองปลอดภัยเรียบร้อยดีทั้งแม่และเด็ก พอรู้ว่าเป็นลูกชายทั้งเมย์และช ย, ยันก็ให้ชื่อตามที่สัญญากับคุณไว้ทันทีว่าไพรวันตามชื่อสกุลของคุณถ้าคุณกลับไปถึงเมืองแล้วสองคนผัวเมียนั่นคงจะต้องขอให้คุณเป็นพ่ออุปถรัรมภ์หรือพ่อยกของลูกชายเขาแน่ตามที่คุณสัญญากับเมไว้เพราะคุณเป็นคนที่ขัดขวางไว้ทุกอย่างที่จะไม่ให้เมย์ทแท้งลูกของเขาเองระหว่างที่เดินป่ามาในครั้งนั้น หวังว่าคุณเองคงจําได้หรือว่าตอนนี้ลืมไปเสียแล้วโอ้ผมดีใจด้วยจริงๆที่เขาได้ลูกชายม่หนำซ้ำําคุณหญิงยังมีโอกาสทำคลอดให้ด้วยและผมก็ยินดีที่จะเป็นพ่อยกของเด็กคนนั้นอย่างเต็มใจทีเดียวคุณหญิงเองก็คงต้องเป็นแม่ยกของเด็กด้วยแน่นอนช น, นะเป็นแม่ยกของเขาก่อนคุณแล้วด้วยซ้ําเพราะก็มีความรู้สึกเช่นนั้นจริงๆ ลูกของชายยันกับเมย์ก็เหมือนกับลูกของฉันนั่นแหละขณะนั้นดารินก็มีอาการเหมือนจะคิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งกระตุกแขนเข้าเบาๆลูกหล่อนพึ่มพั่ออกมาเบาๆเขาหน้าเริ่มสอแววกังวลผิดไปจนรพินจับสังเกตเห็นได้เอ๊มีอะไรหรือครับคุณหญิงฉันลืมไปเสียสนิทพอพูดถึงคาว่าลูกก็เลยนึกขึ้นมาได้รพิน ขอให้ฉันถามอะไรคุณสักอย่างมัวแต่ดีใจพบหน้าคุณเลยทำให้ฉันลืมเข้าไปเสียชั่วขณะเพื่อจะมานึกได้เอาเดี๋ยวนี้เองไม่รู้ป่านนี้เขาจะเป็นอย่างไรบ้างเขารักฉันมีความผูกพันกับฉันเป็นพิเศษจนยากที่จะหาใครมาเสมอเหมือนได้ในการที่ฉันติดตามค้นหาคุณมาครั้งนี้ถ้าไม่ได้เขาฉันตายไปหลายครั้งแล้ว ประโยคหลังหล่อนพูดเร็วปรือน้ำเสียงร้อนรนจริงจังขึ้นจอมพรันขมวดคิ้วถามต่ำๆว่าพูดให้ชัดเจนหน่อยสิครับคุณหญิงหมายถึงอะไรและอย่างไรคืองี้ราพินมีช้างป่าขนาดใหญ่มากอยู่ตัวหนึ่งเป็นช้างเกเรหางด้วนชาวป่าในละแวกที่คุณทำมาหากินอยู่บอกกันเป็นเสียงเดียวว่าช้างตัวนั้นเป็นช้างของคุณใช่ไหมรพินส้อยเปือตาถี๊ี สีหน้ายังไม่คลายความงุนงงจากคำพูดและลักษณะท่าทีของหล่อนช้างป่าหางด้วนเขาทวนคำช้าๆถ้าเป็นเจ้าช้างเกกะเกเรที่หากินอยู่ตั้งแต่ละแวกหนองน้ำแห้งไปจนกระทั่งสุดเขตป่านอกทั้งหลายก็เห็นจะมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละคือไอ้ด้วนทำไมหรือครับใช่ก็เจ้าด้วนนั่นแหละช้างของคุณหรือเปล่ารพินทำหน้า ง, งงงและหัวเราะออกมาเบาๆ ไม่ใช่ช้างของผมหรือว่าผมเลี้ยงไว้หรอกครับมันเป็นช้างป่าแท้ๆเป็นนักเลงโตจากละแวกหนองน้ำแห้งยันห้วยเสือร้องยันหล่มช้างมันเ ก, กกะก็จริงแต่ไม่เคยปรากฏว่าจะทำร้ายใครถึงสาหัสหรือตายเลยอย่างมากก็แค่หักไร้หรือบ้านหรือกวดไล่ชาวบ้านป่าแถวๆนั้นเล่นบ้างเท่านั้นผมก็เลยปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้คิดจะไปฆ่าแกงอะไรมัน แล้วก็สั่งชาวป่าแถว น, นั้นไว้ทุกคนว่าใครอย่าไปทําอะไรมันเข้าเพราะสันดานมันชอบวางโตไปงั้นเองไม่ถึงกับเป็นอันตรายกับใครมาก่อนเมื่อคราวนี้ในระยะเส้นทางต้นๆผมยังพบมันเลยทีแรกมันโผล่ออกมาขวางหน้าคณะเดินทางของเราไว้ทําท่าทางวางโตเต็มที่แต่พอเห็นหน้าผมมันก็เปิดอ้าวหนีลงข้างทางไปทําไมหรือครับมีอะไรหรือนั่นแหละ ช้างหางด้วนตัวนั้นแหละชาวป่าทุกแห่งรู้กันทั้งนั้นว่าเป็นช้างของคุณมันมีบุญคุณต่อฉันมากรู้ไหมมันร่วมทางกับฉันมาตลอดและช่วยฉันมาสารพัดอย่างชนิดแสนรู้ยิ่งกว่าคนบางคนเสอีกถ้าไม่ได้มันแล้วก็คณะเดินทางเราจะลำบากมากทีเดียวมันเดินนำทางให้แก่ฉันแบบมกคุเทศนาทางเลยเอามาส่งให้จนถึงเขตของนรกดา จนมันไม่สามารถจะติดตามมาด้วยอีกได้แล้วเราก็แยกทางกันตรงนั้นก่อนที่ฉันจะได้พบกับวายาแห่งนครลิงมันอย่างรู้จิตใจฉันไปหมดทุกอย่างจงรักภักดีกับฉันอย่างที่สุดแล้วหล่อนก็เล่าคร่าวๆให้เขาฟังเกี่ยวกับความผูกพันในระหว่างหล่อนและเจ้าด้วนจากวันแรกที่พบกันและวันสุดท้ายที่เจ้าด้วนจําต้องปลีกตัวแยกทางไปเพราะมันไม่อาจที่เดินทางร่วมมาด้วยได้ เนื่องจากขอบเขตความอาถรรพ์ของป่าสกัดกั้นไว้รพินฟังอย่างชะงนแล้วพยักหน้าช้าๆคุณหญิงมีบุญบารมีมากครับที่สามารถเอาช้างป่าตัวนั้นมาเป็นบริวารได้ผมก็นึกไม่ถึงว่ามันจะแสนรู้จงรักภักดีกับคุณหญิงถึงเพียงนั้นที่ผมละเว้นชีวิตมันไว้และห้ามไม่ให้ใครทาอันตรายมันก็เพราะเห็นว่า มันไม่เคยเป็นพิษร้ายแรงต่อใครเลยก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโดยกุศลแห่งการไว้ชีวิตให้แก่มันมันจะกลับมาทำคุณประโยชน์อย่างมหาศาลให้แก่คณะของคุณหญิงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่ตัวคุณหญิงเองจะถึงกับเกิดความผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นถึงขนาดนี้แล้วทำไมคุณหญิงเป็นห่วงอะไรหรือครับฉันกลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายภายหลังจากแยก จากฝ่ายฉันแล้วฉันเป็นห่วงเขาที่สุดจอมพรานหัวเราะ อ, อีกครั้งสายหน้าอย่าไปกังวลเลยครับป่าเป็นอาณาจักรของไอ้ด้วนอยู่แล้วและมันก็เป็นช้างใหญ่มีความฉลาดเกินตัวมันเอาตัวรอดได้เสมอผมกล้ารับรองได้ว่าในเที่ยวขากลับภายหลังจากพ้นนรกดำออกไปแล้วเราก็จะต้องพบกับเจ้าด้วนกลางทางไม่ที่ใดก็ที่หนึ่งแน่นอน ไม่ต้องห่วงสบายใจได้เลยแล้วคุณมีความเข้าใจบ้างไหมว่าฉันรักเขาเหมือนลูกหรือต่อให้มีลูกของตัวเองแล้วฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรักลูกของตัวเองได้เท่าเขาหรือเปล่ารรบพิน์ผิวปากออกมาเบาๆและหัวรอกกากออกมาเป็นครั้งแรกเอาล่ะครับผมเข้าใจว่าคุณหญิงมีความรักผูกพันแน่นแฟ้นอยู่กับเจ้าด้วนอย่างไรบ้างและคุณหญิงต้องการจะให้ผมทำยังไงละ่ะ คุณต้องสัญญากับฉันก่อนว่าถ้าเรากลับออกไปสู่โลกภายนอกหรือกลับบ้านเราเรียบร้อยแล้วคุณต้องให้ฉันเอาเจ้าด้วนไปอยู่ด้วยอยู่ที่หนองน้ำแห้งนั่นแหละไม่ต้องให้เขาท่องเที่ยวพเนจรไปในป่าอย่างนั้นอีกแล้วถ้าพบกันระหว่างทางเที่ยวขากลับก็ยิ่งวิเศษสุดฉันจะได้เอาเขาไปด้วยเลยแต่ถ้าไม่พบคุณจะต้องมีหน้าที่ไปตามตัวมาให้ได้ คราวนี้สุภาพบุรุษไพรหัวเราะงอหายน้ำเสียงและสีหน้าของแม่ดอกฟ้าดารินของเขาดูจริงจังเหลือเกินเมื่อพูดถึงเรื่องนี้หลนเข้ามาตบไหล่เขาดังเพียกําชับมาอีกด้วยนี่ฉันพูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นอย่าเห็นเป็นเรื่องไร้สาระไปไม่มีเจ้าด้วนก็ไม่มีฉันจะเหลือชีวิตให้ได้มาพบเห็นคุณได้ในคืนนี้หรอกรู้ไว้สิด้วยคุณต้องรับปากฉัน รัพินยังคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นแต่พยักหน้ายอมรับปากว่าตกลงครับคุณหญิงผมจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเจ้าด้วนให้คุณหญิงได้สบายใจที่สุดแต่ผมก็มีข้อแนะนำคุณหญิงอยู่อย่างหนึ่งไม่ทราบว่าคุณหญิงจะเชื่อผมไหมข้อแนะนำอะไรหล่อนเอียงหน้ามองดูเขาวิสัยของไอ้ด้วนหรือช่างปาทุกตัว มันชอบที่จะมีชีวิตอย่างอิสระเสรีท่องเที่ยวไปในป่าของมันตามเรื่องไม่ชอบการบังคับกักขังถึงแม่คุณหญิงจะเอามันมาเลี้ยงทนุถนอมให้มีความสุขสมบูรณ์สักขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าตกปลอกกั้นเนยียตหรือเอาโซ่ล่ามให้มันอยู่เฉพาะในที่จำกัดโดยตัวมันเองรู้สึกว่าหมดสิ้นอิสระเมื่อไรนั่นก็คือความทุกข์ของมันขอได้โปรดทราบไว้ด้วยอ้าว แล้วถ้างั้นจะทํำยังไงปล่อยให้มันอยู่ตามประษาของมันในป่าอย่างเดิมนั่นแลหรือฉันยอมไม่ได้หรอกและฉันก็มีความเชื่อมั่นด้วยว่ามันจะต้องอยากอยู่ใกล้ชิดฉันอยู่เสมอนี่คุณไม่เชื่อหรือว่าฉันรักมันมากมากที่สุดเลยผมเชื่อในข้อนั้นครับเชื่ออย่างไม่มีอะไรสงสัยในพฤติการต่างๆที่คุณหญิงได้เล่ามาให้ฟังแล้วพรานใหญ่พูดอย่างปลอบโยนสิ น, น้ายังกลาวไปด้วยรอยยิ้ม กึ่ขงขบขันกึ่งเอ็นดูในความไร้เดียงสาของหล่อนในเรื่องนี้เอางี้ก็แล้วกันผมมีทางออกที่น่าจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณหญิงอย่างนี้คือในเที่ยวขากลับนี่ถ้าเราพบเจ้าด้วนระหว่างทางซึ่งผมชื่อว่ามันคงจะคอยวนเวียนดักพบคุณหญิงแน่ๆมันก็คงจะตามหลังคุณหญิงต้อยต้อยไปเรื่อยๆนั่นแหละจนกระทั่งถึงหนองน้าแห้งซึ่งหลังจากนั้น ก็เป็นหน้าที่ของคุณหญิงเองที่จะทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจไว้วางใจแก่มันว่าแม้จะเป็นชมรมมนุษย์หมูบ้านหนองน้ำแห้งก็จะเป็นอนาเขตที่มันสามารถเข้าไปเดินท่องเที่ยวหากินอยู่ได้ตามใจปรารถนาของมันโดยอยู่ในขอบเขตว่ามันจะต้องไม่ไปทำเก ะ, กะเกะเรรังแกชาวบ้านเขา ไม่ว่าจะเป็นการแกล้งเหยียบหักไร่ที่เพาะปลูกของพวกชาวบ้านไม่ไปรื้อทรัพย์สินบ้านเรือนเขาไม่อารวาสแกล้งกวาดไล่ใครต่อใครให้ได้รับความหวาดเสียวเดือดร้อนสรุปก็คือให้มันเข้าไปอยู่ในเขตชุมชนหนองน้ําแห้งอย่างสุภาพบุรุษไม่ใช่ช้างร้ายช้างป่าและถ้ามันพอใจที่จะท่องเที่ยวบุกดงไปที่ไหนก็ปล่อยให้มันไปได้โดยอิสระตามใจชอบ นึกจะมาเมื่อไหร่ก็มาหรือนึกจะไปเมื่อไหร่ก็ไปถ้าทำแบบนี้ได้ก็จะเป็นความสุขที่สุดของตัวมันเองและชาวบ้านหนองน้ำแห้งทั้งหลายโดยเราไม่ต้องไปบังคับให้มันต้องมาเป็นช่างบ้านตกปลอกผูกมัดพันธนาการจองจำมันไว้หญิงสาวเอามือเคาะหน้าผากคิดจ้องหน้าเขายัางยังไม่สู้จะแน่ใจนักต่อคาแนะนาของเขาถามอ่อยๆว่า เอางั้นเหรอเอางั้นแหละครับเป็นวิธีที่ดีที่สุดคุณไม่คิดว่ามันจะอยู่กับพวกเราพวกมนุษย์ที่หนองน้ำแห้งตลอดไปเหมือนช่างบ้านรอกหรือแม้ว่าเราจะไม่ต้องล่ามหรือผูกมันไว้ก็ตามรพินสัส่นศีรษะช้าชา้ชาเอานิ้วเขี่ยแก้มแม่ดอกฟ้าของเขาเบาๆมันจะไม่อยู่กับชมรมมนุษย์ตลอดไปอย่างช่างบ้านหรอกครับเพราะมันเป็นช้างป่าโดยกาเนิด ช่วงขณะครั้งคราวเท่านั้นที่มันอาจป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ๆพวกเราพอถึงเวลาของมันมันก็จะต้องบุกป่าท่องภัยของมันไปตามเรื่องและถ้ามันคิดถึงพวกเราเมื่อไหร่มันก็จะย้อนกลับมาคุณหญิงจะต้องเตรียมทำใจในข้อนี้ให้ดีเสียก่อนเมื่อมันมาเราก็ต้อนรับมันเมื่อมันจะไปก็อย่าไปขัดขวางนั่นคือวิธีที่ถูกต้องและเป็นความพอใจของมันอย่างที่สุดเชื่อผมเถิดครับผมรู้ธรรมชาติของสัตว์ป่าดี เอาว่ามันสามารถจะเข้าไปอยู่ร่วมกับพวกเราในย่านชุมชนได้ชั่วครั้งชั่วคราวก็นับว่าประเสริฐสุดแล้วส่วนเรื่องที่ว่าใครจะไปทําร้ายทําอันตรายต่อมันในระหว่างท่องเที่ยวในป่าก็เลิกกังวลได้เพราะผมจะสั่งกําชับชาวป่าในละแวกนั้นทั้งหลายไว้อีกทีหนึ่งในสมัยก่อนนี้เท่าที่มันอยู่รอดมาได้ทุกวันก็เพราะไม่มีใครคิดที่จะตามล่าหรือตามฆ่ามัน อันเนื่องมาจากที่ผมได้สั่งห้ามไว้นี่แหละยิ่งต่อไปคุณหญิงประกาศชัดว่าเป็นช้างคู่บารมีคุณหญิงก็ยิ่งจะไม่มีใครกล้าไปแตะต้องมันเราอาจใช้วิธีเอาสีทาตัวหรือเขียนเครื่องหมายไว้ตามตัวของมันเพื่อให้สังเกตเห็นได้ง่ายๆก็ได้เห็นคุณหญิงบอกว่าขณะนี้ก็ทำกระดึงผูกคอมันไว้แล้วไม่ใช่หรือครับหล่นพยักหน้าใช่ ตอนที่มันเดินทางร่วมทุกขผจญภัยกับพวกเรากลางป่าท่ามกลางฆ่าศึกศัตรูอันเป็นช้างผีสิงของมันไตรฉันได้สั่งให้ขยินกับลุงอินช่วยทำกระดึงผูกคอมันไว้เพื่อจะได้ยินเสียงเวลามันเคลื่อนไหวและเป็นสัญญาณไม่ให้เราหลงผิดนอกจากนั้นฉันก็ยังอัญเชิญหลวงพ่อทวดคล้องคอมันไวอีกด้วยแต่มันก็ฉลาดมากไม่เคยกระชาก แกเอากระดึงที่พวกเราผูกคอหรือพระพุทธคุณออกจากคอของมันเลยและในเวลาที่มันต้องการจะเดินเงียบๆโดยไม่ให้เกิดเสียงมันก็จะใช้งวงมาจับกระดึงไว้ไม่ให้ลั่นกระทบกันมันฉลาดเกินช้างสา ม, มันธรรมดาไปมากทีเดียว <S 2> <S 2> <S 2> ฉันว่าฉลาดกว่าขยินซะอีกผมรู้ว่าไอ้ด้วนฉลาด แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะฉลาดเท่าเท่ากับคนที่มีความคิดอย่างที่คุณหญิงเล่ามาให้ฟังว่ายังไงล่ะครับที่ผมแนะนำคุณหญิงมานี่หล่อนพยักหน้ายิ้มเอามือโอบ ก, กอดเอวเขาไว้ตกลงค่ะฉันทำตามที่คุณบอกนี่ทุกอย่างแต่ถ้าระหว่างทางขากลับเราไม่ได้พบมันคุณจะว่ายังไงผมก็ขอรับรองว่าเมื่อเดินทางไปถึงหนองน้าแห้งแล้วและยังไม่เห็นเงาของเจ้าด้วน ผมก็มีภารกิจอยู่อีกอย่างหนึ่งภารกิจครั้งสุดท้ายคือไปตามลูกชายให้คุณหญิงเอาตัวมันให้คุณหญิงได้ชื่นชมให้ได้ไอ้ด้วนตามไม่ยากหรอกครับง่ายกว่ามาตามคุณชายอนุชาในครั้งนั้นหรือมาตามเครื่องบี52ในครั้งนี้หลายร้อยเท่านักขนาดไม่ต้องไปตามที่ไหนเลยปีหนึ่งมันก็เข้ามาที่หนองน้าแห้งอย่างน้อยสองครั้งทุกปีเป็นประจา แล้วเข า, เขากก้มลงไปกระซิบที่ริมหูถามหลอนเบาๆว่าว่าแต่มีลูกชายเป็นช้างอยู่ก่อนแล้วตัวหนึ่งยังคิดที่จะมีลูกชายหรือลูกสาวอีกบ้างหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าหลอนอฟศีษะชนปลายคางเข้าเบาๆแล้วหยิกแปบเข้าที่สีข้างบอกในเสียงเจือแววกระดาษว่ามันขึ้นอยู่กับคุณต่างหากแต่บอกตามตรงนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณจะมีความสามารถหรือเปล่า มีไมหมคะระพินนั่นสิผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะไม่เคยพยายามสักทีเอาจริงเอาจางเข้ากลัวจะเหลวเปล่าอย่าเสียชาติเกิดนะถ้าคุณทำไม่ได้จริงๆฉันก็จะเอาตัวคุณนั่นแหละมาทำเป็นลูกของฉันซิเลยจำไว้ปราศาสตร์อันเป็นที่พักของคณะฝ่ายดารินบัดนี้มองเห็นสว่างวอมแวมอยู่ด้วยแสงอัจจักลับชวลาที่ห้อยประดับอยู่ตามราวระเบียง และคบซึ่งปักอยู่ตามผนังมีเหล่าทหารรักษาการยืนประจำอยู่ตามจุดต่างๆและเกรอยู่ไปมาดารินชี้ให้ระพินดูภายหลังจากเดินคลอกันรับเงาต้นอโศกมุมถนนออกมาระยะมันห่างออกไปแค่ห้าสิบเมตรเท่านั้นนั่นไงถึงแล้วลอนบอกอย่างยินดีระพินจ้องฝ่าแสงเดือนสลัวเข้าไปอย่างพินิษมีทหารและชาวพนักงานอยู่เวรยามอยู่ด้วย ตอนคุณหญิงลอบออกมาที่ศาลาปาริชาติพวกนั้นรู้หรือเปล่าครับเชื่อว่าพวกเขาคงจะเห็นฉันออกมาพร้อมกับนาข้าหลวงที่ชื่อนิลยาคุณไม่ต้องห่วงหรอกระพินถึงแม้คุณจะเดินเข้าไปพร้อมกับฉันก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ทำให้พวกทหารยามเหล่านั้นรู้สึกว่ามีอาการเป็นปฏิปักษ์หรือขัดขวางอย่างไรหรอกและยิ่งถ้าเห็นหน้าถนัด พวกเขาก็จะต้องจำคุณได้ชาวมรกรนครคนไหนบ้างที่ไม่เคยรู้จักหน้ารพินไพยวันไม่ทราบว่าป่านนี้พวกของคุณชายจะตื่นขึ้นมาแล้วหรือยังเพราะคุณหญิงออกมานานแล้วประโยคสุดท้ายรพินพึมพำเชื่อว่ายังไม่มีใครของพวกเราตื่นรู้ตัวขึ้นในตอนนี้หรอกเพราะถ้ามีใครตื่นและพบว่าฉันไม่ได้นอนร่วมอยู่ในหมู่คณะด้วย ปานนี้คงจะลุกกันขึ้นมาเดินพลานแล้วนี่ก็เห็นสงบเงียบกันดีว่าแล้วหล่อนก็จูงมือเขานำเดินตรงเข้าไปอย่างสงบพอก้าวขึ้นเหยียบบันไดหินนิรยาผู้ดูเหมือนจะเฝ้ารออยู่ก่อนแล้วในเงามืดของเสาหินกลมใหญ่ก็โผล่ออกมาอุทานออกมาว่านายหญิงพร้อมกันก็แลไปทางพรานใหญ่รพินที่ก้าวเดินคู่กันขึ้นมาด้วย นางจ้องเขาตะลึงพรึ่งพเพริดเพราะคาดไม่ถึงมาก่อนว่าจะได้เห็นใครคนหนึ่งเดินมาพร้อมกับนายหญิงด้วยซึ่งนางก็เห็นหน้าเขาได้ถนัดและจำได้ในฉับพลันรพินยิ้มด้วยดารินยกมือแตะริมฝีปากตรงเข้าไปจับไหล่ทั้งสองของนางกำนันผู้นั้นกระซิบใหญ่อะไปนิรยาฉันพบกับพรานใหญ่รพินโดยบังเอิญในอุทยาน เข้ามาถึงในราชฐานแล้วเมื่อกลางดึกที่แล้วมันนี่เองและกําลังจะมาหาพวกเราทุกคนที่นี่ว่าแต่พวกนายใหญ่มีใครตื่นกันขึ้นมาบ้างแล้วหรือยังนิริยาหน้าตื่นมีอาการแปลกใจและตื่นเต้นขีดสุดที่มองเห็นรบพิน์มาพร้อมกับนายหญิงด้วยเช่นนั้นนางหันไปย่อตัวทําความเคารพระพินแล้วบอกกับนายหญิงว่าพวกของนายใหญ่ยังไม่มีใครตื่นขึ้นมาทั้งสิน้นทุกคนกาลังหลับไหล แล้วนี่นายหญิงเอาละเงียบๆไว้ไม่ต้องกระตุกกระตากววยวายใดๆทั้งนั้นหลอนบอกโดยเร็วแล้วหันมาพยักหน้ากับรพินคว้าแขนได้ก็ลากให้เดินตามเข้าไปยังห้องโถงใหญ่อันสว่างเรืองรองอยู่ด้วยแสงไฟประดับซึ่งใช้เป็นที่พักนอนของคณะทั้งหมดอันพากันมานอนรวมกลุ่มกันอยู่หยุดชะงักอยู่หน้าประตูปากทางเข้าซึ่งกั้นไว้้วยวิสูตบางๆแล้วหลอนก็กระซิบกับเขา เอางี้คุณอย่าเพิ่งเดินเข้าไปในนั้นพร้อมกับฉันเดี๋ยวนี้ให้ฉันเข้าไปปลุกพวกเขาขึ้นมาพร้อมๆกันทุกคนเสียก่อนคุณยืนรออยู่ตรงนี้แหละเมื่อได้ยินเสียงเรียกจากฉันคุณค่อยเดินเข้าไปอยู่กับนิริยาตรงนี้ก่อนฉันไม่ต้องการให้พวกเขาตื่นขึ้นมาในสภาพงัวงเงียและมองเห็นคุณแต่ต้องการให้เขาได้มีอาการปรับสติอารมณ์กันให้พร้อมเสียก่อนเข้าใจไหมรัฐพินยิ้มก้มศีรษะลง ครับเข้าใจหล่นสูตรลมหายใจลึกอย่างอิ่มเอิบใจตบไหลเขาเบาๆอีกครั้งหันมาสั่งให้นิิยายืนเป็นเพื่อนระพินยอยู่ก่อนตรงปากทางเข้านั้นแล้วตนเองเก้าวเข้าไปในห้องโถงใหญ่ที่บรรดาพักพวกทุกคนกำลังนอนเรียงรายกันอย่างเป็นสุขในขณะนี้ทันทีบุคคลแรกที่หล่นขคล่นเข้าไปทางด้านปลายเท้าก็คือพี่ชายใหญ่ ใช้มือจับข้อเท้าเขาเขย่าสั่นปลุกเบาๆพร้อมกับเรียกในน้ำเสียงปกติเพื่อไม่ให้เกิดอาการตกใจเชษฐาลืมตาผงกศรีรษะขึ้นพอมองเห็นน้องสาวมาสุดคุกเข่าจับข้อเท้าสั่นปลุกก็ทักออกมาว่าอ้าวน้อยทำไมหรือมีอะไรพลางดึงกายลุกขึ้นนั่งทันทีจ้องหน้า แต่ก็ไม่เห็นอาการผิดสังเกตอันสอไปในทางร้ายใดๆจากสีหน้าอาการของน้องสาวนอกจากดวงตาใสาเป็นประกายและเข้าหน้าที่แสดงว่าได้ตื่นอยู่ก่อนนานแล้วเสียงทักของเชษฐาและการเคลื่อนไหวตัวลุกขึ้นนั่นเองทำให้อนุชาผู้นอนอยู่ใกล้ๆและนอนวยอยู่ก่อนแล้วตามนิสัยของเขาพลอยลืมตาขึ้นถามด้วยเสียงต่าๆมาอีกคนอะไรกันน้อยนั่นไปไหนมาหรือ ขอความกรุณาลุกขึ้นมาสักเดียวเถอดคะ่ะพี่ใหญ่พี่กลางโปรดอย่าตกใจอะไรทั้งสิ้นไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรหรอกแต่น้อยมีอะไรจะบอกนิดหน่อยและต้องบอกอยู่นี้ด้วยขณะที่พูดเช่นนั้นหล่อนก็เอื้อมมือไปเขย่าที่ชายยันอีกคนหนึ่งเรียกเบาๆชายยันตื่นได้แล้วอย่าขี้เซานักตื่นตื่นตื่นชยยันลุกพรดพลานขึ้นมาด้วยอาการงวงเงียขยี้ตาพร้อมกับอุทานว่า อะไรกันนี่มีอะไรหรือขณะเดียวกันก็มองเห็นดารินนั่งอยู่ทางด้านปลายเท้าและเชิดฐากับอนุชาลุกขึ้นมานั่งจากท่าที่นอนอยู่ก็ยิ่งสงสัยดารินยังไม่ตอบคำถามใครทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะเบาๆอยู่เช่นนั้นแล้วขยับตัวไปทางด้านนาันอินเรายังไม่ทันจะปลุกพรานครูผู้เท่าก็ดึงกายขึ้นนั่งช้าๆนายหญิงมีอะไรหรือทาไมถึงมาปลุกพวกเราขึ้นเดี๋ยวนี้ แกถามขึ้นในทันทีลุงอินนอนวัยดีเหลือเกินหลอนว่ายิ้มแล้วบอกต่อมาว่าลุกตื่นขึ้นมาก็ดีแล้วช่วยปลุกสั่งปาขยินและพวกลูกหามทุกคนขึ้นมาด้วยเดี๋ยวนี้ปลุกพวกเราทุกคนเลยฉันมีข่าวดีที่จะบอกพวกเราทุกคนและต้องบอกเดี๋ยวนี้ข่าวดีข่าวดีอะไรแช่าชัยยันและอนุชาร้องถามขึ้นพร้อมกันอย่างง ง, ง อาการง่วงงัวเงียสลายไปในทันทีเมื่อได้ยินคำพูดเช่นนั้นของดารินส่วนน้านอินคมเณจ้องหน้าหญิงสาวพอหล่อนเตือนขึ้นอีกครั้งแกจึงลุกขึ้นเดินไปเตะปลุกขยินและสางปลาต่อจากนั้นก็บอกให้ช่วยกันปลุกนายช่น่นกับพวกลูกหาบทั้งหลายกันต่อๆไปชั่วไม่กี่อึดใจท่ามกลางความมึนงงของทุกคนทั้งคณะตางก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกันทั้งหมดแม้กระทั่งสางปลา ผู้ซึ่งอ้าปากหวัวหันหน้ามองคนโน้นทีคนนี้ทีส่วนคนอื่นๆที่ตื่นขึ้นมาภายหลังรวมทั้งขยินขยับจะคว้าปืนที่วางอยู่ใกล้ๆตัวก่อนที่จะหลับไปแต่ดารินยกมือห้ามไว้อย่าตกใจไม่มีอะไรไม่มีใครปฏิวัติรัฐประหารหรือว่าเกิดเรื่องร้ายอะไรสำหรับพวกเราทั้งสิ้น แต่ฉันมีข่าวดีที่จะมาบอกพวกเราทุกคนในเวลานี้และเดี๋ยวนี้จึงขอปลุกขึ้นมาให้พร้อมหน้าหมดทุกคนหลอนบอกบนหัวเราะเบาๆใบหน้าปรังไปด้วยสีเลือดพรางตัวเองก็ยืนขึ้นอาการยืนของหลอนนั่นเองทําให้เชิฐาชัยยันและอนุชารวมทั้งคนอื่นๆซึ่งจ้องหน้าหลอนชนิดตามไม่กระพริบพากันลุกขึ้นยืนตามพร้อมกันทั้งหมดซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่หลอนต้องการอยู่แล้วดีมาก ยืนยืนยืนอย่ามัวแต่นั่งหรือนอนกันอยู่อย่างนั้นเลยเอาละ่ะทุกคนตั้งสติสงบจิตใจกันให้ดีอย่ามัวแต่งวงเงียอยู่ใครยังง่วงก็ให้ไปล้างหน้าล้างตาก่อนได้เลยอะไรกันนี่น้อยอนุชาก้าวเข้ามาจับหล่อนไว้พูดต่ำต ำ, ตำขณะที่มองหน้าน้องสาวอย่างสุดฉงนเหมือนจะพิเคราะห์ให้ถ่องแท้ตรวจสอบว่าน้องสาวยังมีสติครบถ้วนบริบูรณ์อยู่หรือเปล่า ไหนเธอว่ามีข่าวดีอะไรหรือถึงได้ปลุกพวกเราขึ้นมาในเวลาแบบนี้มีข่าวอะไรจ า, จากจักรราชหรือแงซายกระมังดารินยิ้มพรายสะบัดผมและมองไปยังพักพวกของหล่อนทุกคนเหมือนจะสำรวจดูว่ายังมีใครที่งัวงเงียอยู่อีกบ้างหรือไม่ก็ปรากฏว่าทุกคนตื่นพร้อมแบบฉับพลันอันเป็นปกติวิสัยของนักผจญภัยเช่นที่ได้เคยชินกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว หล่อนจึงพูดขึ้นด้วยเสียงใสกังวานฟังชัดเจนไปยังทุกคนที่กำลังยืนด่าหน้ารายล้อมหล่อนอยู่ในขณะนั้นจักรราษหรือแงซายเขาก็คงจะต้องอยู่ในที่ใดที่หนึ่งในมรกกนครนี่แหละแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่นั่นไม่สําคัญหรอกพรุ่งนี้เราก็คงจะได้รู้เองแต่นี่เป็นข่าวดีข่าวพิเศษซะยิ่งกว่าเราจะได้รู้ว่าจักรราชอยู่ที่ไหนสอีก ถ้าเธอบอกว่าเมยานีแอบเอาโคดเพชรเมตโตโตมาเป็นกำนันให้แก่เธอแล้วเธอก็ปลุกพวกเราขึ้นมาเพื่ออวดให้ดูในตอนนี้แล้วก็ฉันจะบีบคอเธอให้ตายคามือไปเดี๋ยวนี้เลยช ย, ยันบอกต่ำๆออกมาจากในลำคอขณะที่ควักบุหรี่ออกมาจุดสูบตายังไม่เปลี่ยนไปจากน้องสาวคนเล็กของคณะซึ่งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วทุกคนเห็นว่าเป็นจอมยุ่งมากที่สุด ยิ่งกว่าขุมเพชรพระอุมาทั้งขุมเสอีกถ้าแม้ว่าเมยานีหรือจักรราชจะยกให้แก่ฉันหรือแจกจ่ายให้แก่พวกเราทั้งหมดพวกเราก็คงจะไม่ดีใจเหมือนสิ่งที่ฉันจะอวดให้เห็นเดี๋ ynn ี้ลนบอกอย่างภาคภูมิใจและมีความหมายตามที่พูดนั้นอย่างแท้จริงขณะที่กล่าวเช่นนั้นดวงตาทั้งคู่ศาสตร์ประกายพราวแช่มชื่นอันพี่ชายทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนับตั้งแต่ออกเดินทางมาด้วยกัน เชษฐาวราริธ์ก้าวเข้ามาจับไหลยทั้งสองของน้องสาวไว้พยักหน้าเอาละน้อยพวกพี่และทุกคนตื่นกันขึ้นมาหมดแล้วและพร้อมที่จะรับฟังข่าวดีของน้อยเดี๋ยวนี้แล้วไหนลองบอกพวกเรามาสิอะไรที่ว่าข่าวดีนะ่ะไม่ใช่เฉพาะข่าวหรอกคะ่ะตัวข่าวก็ได้มาปรากฏอยู่ต่อหน้าพวกเราในขณะนี้แล้วด้วย หลอนประกาศกล้องไปในบรรดาพาคพวกทุกคนที่กำลังเตรียมสะดับฟังอยู่ด้วยใจจดจ่อและสุดพิศวงพรางหันไปทางประตูทางเข้าแล้วร้องเรียกออกไปดังๆว่าเอาละพ่อตัวดีพ่อตัวที่มีค่ายิ่ยงกว่ามาหาสมบัติใดๆของพระอุมาทั้งหมดอันทำให้พวกเราต้องติดตามค้นหาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาได้โปรดแสดงตัวออกมาให้ทุกคนได้เห็นในขณะนี้หน่อยสิเชิญเข้ามาได้แล้ว ทุกคนกำลังต้องการเห็นคุณเมื่อสิ้นกระแ ส, สเสียงสั่งของดารินวราริศช่วงขณะจิตหนึ่งที่ความเงียบเข้าปกคลุมสถานที่มันเป็นความเงียบขนาดแทบจะเรียกได้ว่าหากมีเข็มสักเล่มหนึ่งตกลงกับพื้นก็คงได้ยินเงาของบุรุษผู้หนึ่งก้าวพ้นม่านกั้นทางเข้าห้องโถงใหญ่นั้นเข้ามาช้าช้าและปรากฏกายยืนเด่นอยู่กลางห้องปรากฏชัดกับแสงไฟ ท่ามกลางทุกสายตาที่พุ่งตรงไปเป็นจุดเดียวฝ่ายของเชฐาทั้งหมดรวมทั้งพวกลูกหาบและแม้แต่ส่างปาเองขณะนี้พากาันยืนจ้องในภาวะตลึงตัวแข็งแทบไปอาจเชื่อสายตาไปได้และพากันเงียบไปชั่วขณะอย่างชนิดทำอะไรไม่ถูกนอกจากอาการเบิกตาจ้องเหมือนจะให้แน่ใจว่าตนเองไม่ได้ฝันไปชายผู้นั้น ผู้ก้าวตัวเข้ามาปรากฏเด่นชัดกับสายตาได้เคลื่อนช้าๆตรงเข้ามายังกลุ่มของเชษฐาอันเป็นกลุ่มที่ยืนกันอยู่ใจกลางหมู่คณะทั้งหมดใบหน้าเกลียมกระด้างนั้นยิ้มสว่างสดใสดวงตาทั้งคู่เป็นประกายเปลี่ยมไปด้วยปิติโสมนัสระหว่างที่ทุกคนยังยืนนิ่งเหมือนถูกสาบให้เป็นหินไปชั่วขณะชนิดขยับเขยืขย้อนใดๆยังไม่ได้นั้น เขาได้มาหยุดยืนประจันหน้าท่านสุภาพบุรุษในราชสกุลอันเป็นหัวหน้าคณะเอื้อมมืออันมั่นคงแข็งแรงมาจับมือของเชษฐากลุ่มไว้ในฝ่ามือทั้งสองของเขาพร้อมทั้งก้มศรีรษะลงโค้งคำนับอย่างอ่อนโยนเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงพร้อมกับสำเนียงห้าวแต่มีกองวานชัดเจนแจ่มใสได้ยินไปทั่วว่าเป็นความยินดีที่สุดในชีวิตของผม ยิ่งกว่าตายไปแล้วได้เกิดใหม่เมื่อผมได้มาพบเห็นคุณชายเชษฐ า, าคุณชายกลางคุณชายยันและพวกเราทุกคนอีกครั้งอย่างที่ผมเองก็ไม่นึกไม่ฝันเช่นนี้เลยพระพินเชษฐ า, าหลุดปากออกมาอย่างลืมตัวดังลั่นส่วนอนุชาและชายยันอุทานออกมาว่าเฮ้ยและในช่วงติดต่อกันนั่นเองก็เป็นเสียงร้องทักทายแซด สนัน่นสับสนไปหมดจนฟังไม่ได้สับจาก น, านั้นอินเคยินสางปลาในช่วนและบรรดาลูกหาบทุกคนซึ่งบัดนี้กระโจนพลูเข้ามารายล้อมไว้โดยรอบเสียงเรียกนายเอตเโรลั่นไปหมดทั้งความเงียบสงัดภายในห้องนั้นระคนไปกับสัาสําเนียงแห่งความตื่นเต้นที่ไม่สามารถจะแยกออกไปได้นายรัพิจริงๆแหละนี่ข้าไม่ได้ฝันไปเลย ใน่ามกลางเสียงแซ้แสดฟังไม่ได้สับนั้นดูเหมือนจะเป็นเสียงตะโกนกึกก้องของขยินที่แหบปากออกมาดังกว่าเพื่อนรบพินไพรวันในยามนี้เพียงแต่กระตาแวบสำรวจดูบริวารเก่าของเขาที่กระโดดโลดเต้นกันอยู่รอบๆกายนิดหนึ่งก่อนเท่านั้นจุดหมายสำคัญของเขาขณะนี้ก็คือเชษฐาอนุชาและชัยยันที่ยังพากันยืนอ้าปากค้างอยู่ บุคคลถัดไปที่เขาก้มศรีรษะลงโค้งคำนับคือคุณชายอนุชาวราริศและชัยยันต์อนันตรัยผู้ได้แต่จ้องตาเขมงแทบประทุออกมานอกเบ้ารพินนี่คุณคุณจริงๆหรือท่านหัวหน้าคณะเพิ่งได้สติคว้าต้นแขนทั้งสองข้างของเขาไว้แล้วเขยา่าถามละล่ำละลักด้วยอาการยิ้มอย่างสำรวมสุภาพและด้วยหยาดน้าใสๆที่คลออยู่ในดวงตาจอมพรานก้มศรีรษะลงอีกครั้ง ครับผมคุณชายและทุกคนไม่ได้ตาฝาดผมระพินไพยวันพรานำทางเก่าแก่ดั้งเดิมของท่านทุกคนในสภาพที่มีร่างกายและชีวิตอยู่พร้อมสมดังเจตนาและความต้องการของพวกท่านที่ได้กรุณาห่วงใยและเสสละติดตามมาเช่ถาสวมกอดเขาไว้แน่นพร้อมกับอุทานอะไร ออกมาประโยคหนึ่งจับสำเนียงไม่ได้แล้วดันไหลออกไปเพื่อจ้องสำรวจไปตลอดทั้งร่างกายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าอีกครั้งต่อมาก็เป็นอนุชาซึ่งเอื้อมมือมาคว้าไหลไว้ดึงเข้าไปใกล้รบพินเป็นฝ่ายกอดไว้เองซึ่งอดีตพรานชดก็กอดรัดตอบแน่นที่สุดเฮ้ hey, ระพินคุณจริงๆนั่นแหละครั้งหนึ่งคุณเป็นฝ่ายมาติดตามค้นหาผม แต่ครั้งนี้ผมกลับเป็นฝ่ายติดตามค้นหาคุณซึ่งผมก็ทำได้สำเร็จเหมือนกันดีใจเหลือเกินดีใจจนบอกไม่ถูกแล้วอนุชาพูดเร็วปรือแทบจะจับสับไม่ได้ส่วนชัยยันนั้นแยกเขี้ยวขาวเข้ามากระชากพรานใหญ่หลุดออกมาจากอ้อมกอดของอนุชาแล้วปั้นหมัดง้างขึ้นมีอาการเหมือนจะต่อยแต่แล้วกลับฉกมือข้างนั้นไปคว้าคอระผินไว้กระชากเข้ามากอดรัดแล้วหมุนวนไปรอบๆตะโกนขึ้น เรามันเป็นไปได้ยังไงนี่งงไปหมดแล้วโว้ยไอเสือโผลมาได้ยังไงผมนึกว่าคุณตายหาไปตั้งนานแล้วที่มาตามนี่ก็หวังเพียงแค่จะมาเก็บกระดูกกลับไปเผาเท่านั้นฮ่าห้ า, หากระดูกแข็งแท้ๆอุตสาหรอดมาจน ก, กระทั่งพบ ก, กันอีกจนได้รับพินยังไม่อาจพูดหรือตอบคำถามใดๆแก่ใคร เป็นกิจลักษณะได้ในขณะนั้นได้แต่ยิ้มให้แก่บุคคลทั้งสามพร้อมทั้งพนมมือขึ้นจรดคางไหวอยู่เช่นนั้นขณะที่น้ำตาของเขาไหลเป็นทางลงมาทั้งสองร่องแก้มด้วยความซาบซึง้งสำนึกในน้ำใจแห่งความห่วงหาอาธรของอดีตเจ้านายเก่าผสมกับความดีใจปิติปลืม้มที่ได้พบเห็นหน้ากันอีกครั้ง กลุ่มของเชษฐาก็อดที่จะน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันไปเสียไม่ได้การพูดจาทักทายจึงสับสนโอมานไปหมดไม่อาจเอาความได้รับพินพ่าจากฝ่ายกลุ่มของนายจ้างที่เขาเคารพนับถือชั่วขณะเดินไปที่นานอินจับไหลอันบอบบางของแกบีบแน่นกล่าวเสียงลึกเพียงสั้นๆว่าขอบใจมากลุงอินขอบใจอย่างที่สุด แล้วก็มาหยุดอยู่ที่ขยินเอามือตบลงไปที่แผงอกกว้างใหญ่ของมันขยินจะเป็นผู้ที่กล้าหาญและเป็นลูกผู้ชายที่แท้จริงฉันรู้น้ำใจของเจ้ามานานแล้วจากนั้นก็เดินเข้าไปกอดคอสั่งปาผู้ยังอ้าปากเบิกตาพองดูเขาในลักษณะตะลึงอยู่เช่นนั้นทักว่าดีใจที่ได้พบเจ้าอีกครั้งสั่งปา หวังว่าเจ้าคงจะมีความสุขดีในมรกรณนครแห่งนี้ฉันกลับมาในคราวนี้ก็หวังที่จะได้พบเจ้าด้วยนอกเหนือไปจากพบแง่ทรายกับนายชั่วและลูกหาบอีก9้าคนอันล้วนเป็นคนในหนองน้ำแห้งของเขาเองรับพินกอดทักทายและกล่าวชมเชยโดยทั่วหน้าในการที่ทุกคนได้เสียสละมากับเจ้านายในครั้งนี้ซึ่งทั้งหมด ก็ชัยโยโห่ร้องต้อนรับเขาอึงคนึงไปหมดอึกรกะทึกครึกโครมไปตลอดทั้งบริเวณของปราศาสตร์อันเป็นที่พักจนกระทั่งพวกของชาวพนักงานและทหารที่อยู่เวรยามวิ่งมาจุกช่องประตูมองสำรวจเข้ามาแต่พอเห็นว่าเป็นการทักทายพบปะกันระหว่างพวกอาคัรตุกะที่มาถึงมรกนครกันเองก็พากันยิ้มยิ้มและพระจากไปหมดโดยไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวอะไรอีก ระหว่างที่รพินกำลังเดินทักทายกับคนของเขาโดยทั่วหน้าทุกคนนั้นดารินก็ทำหน้าที่อธิบายให้ฝ่ายพี่ชายฟังคร่าวๆก่อนล่วงหน้าหล่อนได้พบกับรพินในลักษณะไหนอย่างไรจนกระทั่งหล่อนเป็นฝ่ายชักชวนให้เขาเข้ามาพบกับพักพวกทั้งหมดเสียก่อนในตอนใกล้รุ่งขืนนี้ อึดใจใหญ่ๆที่เชษฐาอนุชาและชัยยันทำหน้าที่ซักไซน้องสาวคนเล็กโดยปล่อยให้จอมพรานเดินไปทักทายกับนานอินขยินส่างปาและคนอันเป็นลูกบ้านของหนองน้ำแห้งซึ่งทำหน้าที่เป็นลูกหาบมาในครั้งนี้จนครบถ้วนเป็นการคร่าวๆก่อน สุภาพบุรุษไพรอันเป็นตัวการสำคัญให้ฝ่ายของเชษฐาต้องเดินทางติดตามมาก็หันกลับมาทางฝ่ายอดีตนายจ้างอันเป็นที่เคารพรักของเขาอีกครั้งผมไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรดีมันตื้นตันไปหมดแล้วสิ่งแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนก็คือผมรู้สึกเป็นหนี้พระคุณของทุกท่านอย่างสูงสุดจนสุดที่จะกล่าวได้ที่ทุกท่านอุส่าห์เหนื่อยยากสละชีวิตออกติดตามผมมาในครั้งนี้ และเมื่อได้พบหน้ากันเช่นนี้พร้อมหน้าผมมีความสุขที่สุดในชีวิตสุขสมหวังอย่างไม่เคยปรากฏในชีวิตของผมมาก่อนเลยเท่าที่กำเนิดเกิดกายมาเป็นพรานป่าที่ชื่อรเพินไพรวันทุกท่านให้ความเมตตาปรานีต่อผมจนเกินกว่าที่ผมจะคาดคิดไปถึงหังเสียงของเขาสั่นเครือเป็นครั้งแรกและน้ำตาคลอเบ้าออกมาอีก มีอาการเหมือนจะสุดตัวก้มลงไปกราบที่แทบเท้าของเชษฐาและอนุชาแต่ทั้งสองฉุดแขนร่างตัวเข้าไว้ประคองให้ยืนตรงขึ้นรพินคุณเคยมีบุญคุณต่อชีวิตพวกเราทุกคนมาก่อนแล้วจนพูดไม่ได้ว่ามันมากมายสักแค่ไหนเรามาตามคุณครั้งนี้ด้วยความรู้สึกที่มาตามเพื่อนแท้ของเราคนหนึ่งเพราะฉะนั้น ในเรื่องนี้แล้วไม่ต้องพูดอะไรกันอีกเลยไม่ต้องพูดมาพูดกันถึงเรื่องที่จําเป็นดีกว่าคุณเป็นยังไงบ้างละ่ะปลอดภัยเรียบร้อยดีหรือหมายถึงพวกของคุณทั้งหมดด้วยเชิดขาเอ่ยขึ้นช้าๆปนยิ้มละไมภายหลังจากปรับสติอารมณ์แห่งความตื่นเต้นยินดีลงได้แล้วภายหลังเกือบตายเกือบพินาศกันทั้งคณะนับครั้งไม่ถ้วน สวรรค์ก็ยังไม่ทอดทิ้งผมและฝ่ายนายจ้างของผมครับคือเราปลอดภัยเรียบร้อยดีพอสมควรจนกระทั่งมาถึงที่นี่น้อยอธิบายอะไรให้เราทราบมาบ้างแล้วพอเป็นเราๆแต่มันยังไม่ละเอียดนักทุกอย่างยังสับสนจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกที่จู่ๆก็เห็นคุณโผลมาให้เห็นแบบนี้ในเวลานี้โดยมีน้อยมาปลุกให้พวกเราตื่นขึ้น อนุชาพูดขึ้นโดยเร็วอย่างไม่หายงงชัยยันก็หัวเราะร่าออกมาพร้อมกับบอกว่ามะมโมพูดกันคนละคำสองคำแบบนี้ต่อให้ตะวันขึ้นก็ยังคงไม่รู้เรื่องกันอยู่นั่นเองนั่งลงระพินนั่งลงกลางวงพวกเรานี่แหละแล้วก็บอกเล่าเก้าสกันให้เป็นกิจลักษณะเสียทีพร้อมกล่าวอดีตนายทหารปืนใหญ่สหายร่วมตายในยุคก่อนของเขา กฎไหลรพินให้นั่งลงไปกลางวงณบริเวณที่อาศัยพักนอนของฝ่ายตนจอมพรานปฏิบัติตามโดยดีบัดนี้เขานั่งอยู่ในใจกลางวงล้อมของฝ่ายนายจ้างทั้งหมดโดยมีดารินนั่งขัดสมาธิสายตาจับยิ้มยิ้มอย่างชื่นชมอยู่ที่เขาตลอดเวลาโดยหล่อนนั่งเยื้องอยู่เบื้องหน้าในกลุ่มของฝ่ายพี่ชายส่วนพวกพรานพื้นเมืองและลูกหาบทั้งหลายรวมทั้งส่งปาก็ล้อมวงเข้ามาอีกชั้นหนึ่ง ทุกคนมีประสาทที่ตื่นพรักพร้อมหมดแล้วไม่มีใครคิดที่จะหลับนอนอีกต่อไปเมื่อมองเห็นนารพินโผล่เข้ามาอย่างกระทันหันโดยไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวล่วงหน้าก่อนเช่นนี้ก่อนทุกสิ่งทุกอย่างจอมพรานเอ่อยขึ้นปนหัวราเบาๆหันไปทางชัยยันและส่งมือไปให้จับผมขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งครับสำหรับการได้ลูกชายของคุณชัยยัน ชายันหัวร้อนลั่นจับมือเข้าบีบเขย่าโดยแรงผมก็ดีใจอย่างที่สุดเพื่อนยากรวมทั้งแม่ของเด็กด้วยเม่ฝากบอกมาด้วยในกรณีที่ถ้าตามพบตัวคุณสิ่งที่เขาฝากบอกมาก็คือขอบคุณคุณอย่างสุดชีวิตที่พยายามทุกวิถีทางเพื่อเป็นการป้องกันเขาไว้ไม่ให้ทำแท้งลูกของเราในระหว่างเดินป่าอยู่ด้วยกันในครั้งนั้นคุณคือพ่อยกของเด็ก ด้วยความภาคภูมิใจและเต็มใจยิ่งผมได้เรียนให้คุณหญิงทราบแล้วเมื่อคุณหญิงเล่าให้ผมฟังถึงเรื่องเมได้คลอดลูกชายก่อนที่คุณชัยยันจะเดินทางออกติดตามผมมาคราวนี้คุณเห็นหรือยังละ่ะว่าพวกเราทั้งหมดมีแต่ความตื่นเต้นดีใจที่ได้พบเห็นคุณเสียเดี๋ยวนี้ไม่มีใครคิดที่จะไล่เหยียบคุณเลยสักคนแม้กระทั่งพี่กลางเอง ซึ่งตามปกติแล้วพี่กลางหมายมั่นปั้นมือเอาไว้มากทีเดียวที่อยากจะเหยียบคุณให้แบนเมื่อพบหน้าดารินร้องออกมาเบาๆปนหัวเราะรื่นทำให้ฝ่ายพี่ชายงงไม่รู้เรื่องหันไปถามเมื่อน้องสาวคนเล็กอธิบายให้ทราบว่าพระพินได้กล่าวเป็นเชิงรำพึงในข้อกังวลไว้กับหล่อนเช่นไรก่อนที่จะยอมเข้ามาพบอย่างที่พักในเวลานี้ทั้งสาคนก็หัวเราะชอบใจ ก็คิดอยู่มากเหมือนกันแหละว่าพวกเราควรจะรุมสกรามคุณสักคนละตุกถ้าตามพบชัยยันว่าเอื้อมมือมาผลักไหลเบาๆแต่พอเห็นหน้าเข้าจริงๆมันก็ดีใจเสียจนลืมคิดไปหมดแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเห็นน้อยบอกกับพวกเราตะกี้นี่ว่าได้พบกับคุณก่อนแล้วกลางอุทยานอย่างบังเอิญ และถ้าเรามารู้ทีหลังว่าคืนนี้คุณกับน้อยได้พบกันก่อนแล้วแต่ปกปิดไม่ยอมให้พวกเราทั้งหมดรู้และไม่มาพบเราทั้งหมดที่นี่เสียก่อนโดยปล่อยเวลาให้ล่วงไปจนถึงเช้าแล้วค่อยมาพบแล้วก็คุณคงโดนเหยียบแน่น้อยเองก็เหมือนกันเขาเพิ่งจะบอกกับเราเอาเมื่อยกนี่เองว่า โดยแท้ที่จริงนั้นเมยานีได้ยอมบอกกับเขาหมดแล้วว่าคุณและพวกได้ขึ้นเหยียบหัวถนนพระสิวะอันเป็นเวลาเดียวกับที่ทางฝ่ายพวกเราเหยียบขึ้นกลางถนนและจักรราศ่งผู้เท่าอราชุนกับพรเมศไปรอรับซึ่งหมายกาหนดการของฝ่ายคุณจะมาถึงที่นี่ราวเที่ยงของวันพรุ่งนี้แต่น้อยไม่ยอมบอกพวกเราเลยเก็บรู้เงียบไว้คนเดียวพวกเรามาถึงที่นี่แล้ว ก็เลยยังห่วงกันอยู่ว่าพวกคุณไปหลงอยู่ที่ไหนจะมาถึงมรทกฤนครหรือไม่อย่างไรเมื่อไรก็ได้แต่คิดกังวลกันอยู่รพินได้แต่ยิ้มและทุกคนในคณะของเชษฐาก็เพิ่งจะเห็นอดีตพรานนาทางผู้นี้ยิ้มอย่างเปิดเผยบริสุทธิ์และเป็นการยิ้มง่ายที่สุดแตกต่างไปจากปกติวิสัยประจำตัวของเขาซึ่งเคยพบเห็นมาก่อน ครั้นแล้วเชษฐาอันเป็นหัวหน้าคณะทั้งหมดก็เริ่มต้นป้อนคำถามก่อนฟ้าสางเล็กน้อยทุกคนของฝ่ายติดตามก็กระจางแจ้งหมดในทุกข้อปัญหาที่สงสัยและข้องใจจากการบอกเล่าไปตามจริงไม่มีการปิดบังของรพินเฉพาะในส่วนสำคัญของการเดินทางที่ทำให้ฝ่ายเขามาถึง ม, ม, มรกกนครทีหลังโดยล่าช้ากว่าฝ่ายของเชษฐาเล็กน้อย ร, รวมทั้งเหตุการณ์ครั้งล่าสุด ที่ทั้งฝ่ายตนเองและฝ่ายของดารินถูกเมยานีออกอุบายหาทางให้ได้ไปพบเห็นกันเสียก่อนที่ศาลาปาริชาติยามดึกสงัดของคืนนี้โดยต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัวเลยเชษฐาอนุชาและชัยยันสอบซักเพิ่มเติมจนได้รายละเอียดทั้งหมดเท่า ท, ที่จะสแสวงหาออกมาได้และเมื่อนั้นท่านหัวหน้าคณะ ก็ให้สางปลาเข้ามาทำหน้าที่รินเมรัยหมักชั้นเลิศของราชธานมรกรนนรที่บรรจุอยู่ในคนโทลงแจกจ่ายไปยังทุกคนรวมทั้งรบพินด้วยแล้วยกชูขึ้นประกาศขอให้พวกเราทั้งหมดมาดื่มร่วมกันดื่มให้แก่ความสำเร็จผลอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้ของเราทั้งสองฝ่ายสำหรับรบพินคุณทำงานให้แก่ฝ่ายนายจ้างคุณได้สาเร็จผลอย่างงดงามที่สุด สมศักดิ์ศรีของพรานใหญ่ชื่อระพินไพรวันทุกประการส่วนฝ่ายของผมก็ทำงานได้สำเร็จผลสูงสุดเกินเชื่อเหมือนกันคือสามารถตามคุณจนพบในการดื่มครั้งนี้พวกเราขอดื่มให้แก่เทพเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์และเมตตาปราณีเราคือพระสิวะและพระอุมาเทวีด้วย ทุกคนรวมทั้งพรานพื้นเมืองและสางปลาด้วยต่างยกจอกเมไรขึ้นดื่มจนกลีย้ยงฉาดสําหรับเจ้าสางปลาประกาศเสียงแหลมว่าสางปลาขอดื่มให้แก่ลูกชายของนายทหารชัยยันและแม่มมาเรียด้วยขอให้นายน้อยๆของสางปลาจงเจริญเติบโตขึ้นมาด้วยสติปัญญาและความกล้าหาญเหมือนพ่อและแม่บรรยากาศณที่นั้นเต็มไปด้วยความเปรมปริ่ ม, มสวนเสฮหฮาบะ จากเจ้าสางปลาขี้ลิงกลายมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขและคงจะเป็นท่านวุฒิสภาสางปาอีกตำแหน่งหนึ่งแน่ๆในเร็วนี้คารมคมคายผิดหูไปทีเดียวเอา้าฉันขอดื่มให้แก่ตำแหน่งใหม่ของนายอีกถ้วยหนึ่งว่าแล้วช ย, ยันก็รินลงจอกของตัวเองชูให้สางปาพร้อมกับดื่มอีกครั้งท่ามกลางเสียงโวเร้องครื้นของฝ่ายเจ้านายทั้งหลาย ยกเว้นพวกครานพื้นเมืองและตัวสางป่าเองซึ่งยิ้มแห้งๆกับพริบตาอยู่ปริบๆเพราะไม่เข้าใจที่ชั ย, ยันพูดก็เป็นอันว่าไม่แต่ฝ่ายของคุณเองขณะนี้ยังไม่ได้ระแคะระคายอะไรจากจักรราศหรือแงซายเช่ดถากล่าวถามรบพินมาอารมณ์อันเคยเครียดหนักมาโดยตลอดของท่านหัวหน้าคณะบัดนี้คลี่คลายปลอดโปร่งลงไปเกือบหมดสิ้นแล้ว เงซายเคยลึกลับอยู่เช่นไรก็คงลึกลับอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละครับแต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้เราควรจะได้พบเขาและคงทราบเหตุผลว่าเหตุใดเขาจึงยังไม่ปรากฏให้ทั้งฝ่ายของคุณชายและฝ่ายผมได้เห็นเสียในทันทีที่เราเหยียบย่างมาถึงที่นี่ระพินตอบอาการของเขาไม่รู้สึกมีกังวลอะไรนะักเกี่ยวกับเรื่องนี้ขณะนั้นเสียงไก่ขันกระชั้นแววถี่เข้ามาทุกขณะ พลานใหญ่ขยับตัวเอ่ยบอกกับทุกคนว่าใกล้สว่างเต็มทีแล้วผมขอตัวกลับไปยังที่พักของฝ่ายผมก่อนเถิดครับผมไม่อยากให้ฝ่ายของดรสแตนลีย์สงสัยหรือรู้เสียก่อนว่าผมได้รอบมาพบปะกับฝ่ายของคุณชายในคืนนี้เอาไว้พรุ่งนี้เราค่อยพบกันใหม่อีกครั้งเป็นทางการซึ่งเข้าใจว่าทางมรกรนครเขาคงจะมีหมายกำหนดการสําหรับเราทั้งสองฝ่ายแล้ว เชษฐาพยักหน้าช้าๆอย่างเข้าใจส่วนอนุชาบอกว่าความจริงแล้วเราอยากจะยึดตัวคุณไว้ที่นี่เลยแต่ทางฝ่ายผมเข้าใจความรู้สึกของคุณและพวกเขาได้ดีพอเพราะฉะนั้นคุณจะไปก็ไปเถอะแล้วพบกันพรุ่งนี้ผมจะให้สางปลาไปส่งคุณจนถึงปราศาสตหน้าอันเป็นที่พักของฝ่ายคุณ ว่าแล้วอนุชาก็หันไปสั่งการกับสางปาซึ่งเจ้านั่นก็กรวีกระวาดลุกขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยความเต็มใจยิ่งรพินสบตาดารินนิดหนึ่งแล้วถอยห่างจากกลุ่มของคณะพักออกมาขณะนั้นเชษฐาก็ร้องถามมาเบาๆวา่านายางของคุณเขาจะรู้บ้างไหมนี่ว่ามีฝ่ายของพวกเราตามหลังคุณมาและขณะนี้ไดมาดักรอคุณอยู่ที่นี่ก่อนแล้วและถ้าเขาพบว่า ฝ่ายเราตามมาจากการพบกันพรุ่งนี้พวกเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่พอใจอย่างไรบ้างหรือไม่คุณคิดยังไงรพินสุภาพบุรุษไพรชะงักนิดหนึ่งแล้วตอบมาอย่างมั่นใจว่า ถ้าเขารู้ว่ามีพวกของผมตามมาในระยะการเดินทางต้นๆผมก็คิดว่าพวกเขาคงไม่พอใจแน่แต่ถ้ามาพบอับปลายทางซึ่งต่างฝ่ายต่างก็ทอดอะไรต่อชีวิตแล้วแบบนี้ผมแน่ใจว่าพวกเขาคงจะตื่นเต้นยินดีพวกนี้ปฏิบัติงานลับในด้านจราชนก็จริงครับแต่อุปนิสัยใจคอส่วนตัวแล้วพอจะคบได้ทุกคนผมเชื่อว่า พวกเขาจะดีใจที่ได้พบฝ่ายของคุณชายมากกว่าจะไม่พอใจถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีใครก็ตามที่รอดชีวิตมาเหยียบแผ่นดินมรกตได้นี่ก็ต้องนับว่ามีปาฏิหาริย์ผิดมนุษย์ธรรมดาอยู่แล้วถ้าขืนมาวางตัวเป็นค่าศึกศัตรูกันอยู่อีกมันก็ถอยคนเต็มทีเอาละเราอนุญาตให้คุณไปได้แล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้ รับเพนไัยวันยกมือขึ้นแตะกับปีกหมวกวันทยาหัดให้แก่เจ้านายทุกคนแล้วเดินพระออกจากห้องนั้นมาพร้อมกับสัางปลาในทันที